ความอึดอัดซึ่งตกข้างมาเมื่อครั้งยังครองกายเมื่อรู้สึกเหมือนว่าได้ผ่านพ้นไปโดยสิ้นเชิงข้าพเจ้าจะอยู่ในสภาวะสดชื่นเช่นนี้เป็นเวลานา น, านสักเท่าใดไม่สามารถจะทราบได้แต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็รู้สึกนอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นกระพรี้กระเปื่อย่างบอกไม่ถูกขณะนี้เอง ข้าพเจ้าก็นึกถึงการนัดของเอ็ดวินขึ้นมาได้จึงส่งความรู้สึกไปถึงเขาทันทีซึ่งในเวลาประมาณสองหรือสามนาทีข้าพเจ้าก็ได้รับความตื่นเต้นอย่างยิ่งที่เห็นเขาเดินเข้าประตูมาในทันใดท่าทางตื่นเต้นของข้าพเจ้าคงจะน่าขำอยู่ไม่น้อยเพราะปรากฏว่าเขาหัวเราะ อ, ออกมาอย่างเต็มที่เอ็ดวินได้อธิบายให้ข้าพเจ้าฟังว่า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 เราจะรู้สึกเตือนให้รู้สึกถึงความทุกข์ของร่างกายอยู่ตลอดเวลาด้วยความร้อนหนาวหิวกระหายบ้างด้วยความไม่สบายอิรยาบวดบ้างด้วยความเห็ดเหนื่อยเมื่อลาบ้างด้วยความป่วยไข้บ้างนานาประการแต่ในที่นี้เราจะไม่มีวันได้ประสบความขัดข้องของร่างกายดังเช่นที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยอย่างไรก็ตาม ความจริงข้อนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเสมือนท่อนสูงที่ไม่มีความรู้สึกสัมผัส ต, ต่อโลกภายนอกเช่นนั้นแต่เป็นเพราะว่าความรู้สึกทุกประการของเราเกิดจากจิตใจโดยเฉพาะจริงๆีัจจบันนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะไปสำรวจดูสถานทีต่ต่างๆในโลกใหม่แห่งนี้และเราทั้งสองก็เดินไปด้วยกัน ท่านที่อยู่ในโลกมนุษย์และเคยได้ไปท่องเที่ยวดูสถานที่ใหม่ๆแปลกๆมาแล้วคงจะรู้สึกได้ดีว่าในโอกาสเช่นนี้เราจะมีความตื่นเต้นสักเพียงใดเราได้เดินขึ้นไปบนเนินสูงเพื่อที่จะให้แลเห็นทัศนียภาพไปได้นในระยะไกลเบื้องหน้าเราเป็นแนวไม้เขียวสดเป็นพืชไกลออกไปจนสุดสายตาส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นตัวเมือง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 เราก็ได้พบชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่ชายสวนผลไม้ขนาดใหญ่หลังจากได้ทักทายปลาศัยกันแล้วเอ็ดวินได้กล่าวว่าเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นผู้มาถึงโลกทิพย์ใหม่ๆเขาจึงอยากจะพาข้าพเจ้าชมสภาพความเป็นไปของโลกนี้ชายผู้นี้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าท่าทางเป็นคนมีอายุอยู่ในวัยกลางคน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 จนกว่าจะถึงเวลาที่จิตของเราจะบรรลุภูมิธรรมสูงขึ้นและได้เลื่อนไปอยู่ในภพที่สูงกว่านี้จึงจะสามารถเข้าใจถึงสภาวะเหล่านี้ได้สำหรับปริมาณของผลไม้นั้นชายผู้นี้แจ้งว่าจะมีจำนวนคงที่อยู่เสมอเพราะเมื่อเราปิดมาผลหนึ่งก็จะมีอีกผลหนึ่งเกิดขึ้นใหม่แทนที่อันหนึ่ง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 จะมีรถของผลไม้ชนิดใดในโลกมนุษย์มาเปรียบเทียบได้หลังจากที่ได้บอกลาเจ้าของสวนผลไม้แล้วเราก็ได้เดินต่อไปอีกสักครู่หนึ่งก็มาถึงห่วงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งมีขนาดเท่ากับทะเลสาบอย่างย่อมย่อมเราได้เห็นผู้คนมากหน้าหลายตาจับกลุ่มกันอยู่ที่ชายน้ำบ้างก็กำลังอาบน้ำอยู่รอบๆทะเลสาบ มีต้นไม้ขึ้นอยู่ทั่วไปเอ็ดวินได้หันไปสนทนากับสุภาพสตรีผู้หนึ่งเซึ่์เมอ่อพิจารณาจากท่าทางที่คนทั้งสองสนทนากันแล้วข้าพเจ้าก็นึกเดาเอาว่าทั้งสองคงจะได้รู้จักกันมาก่อนแล้วเป็นเวลานานแต่แล้วก็มาได้ทราบภายหลังอีกว่าเอ็ดวินเองก็ไม่เคยได้รู้จักสุภาพสตรีผู้นั้นมาก่อนเหมือนกัน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 เธอก็ไม่ค่อยได้ไปโหมดบ่อยครั้งนักซึ่งในเรื่องนี้เอ็ดวินได้บอกข้าพเจ้าว่าไม่ได้เป็นของสำคัญเกี่ยวกับจิตใจเสมอไปเพราะในบางครั้งเราจะนำการที่บุคคล น, นั้นๆไปวัดบ่อยๆหรือไม่มาเป็นเครื่องตัดสินน้ำใจนั้นอาจผิดพลาดไปได้มากเหมือนกันการที่เธอมีจิตเมตตากรุณาประจำสันดาน ไม่ดูดายในความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยการต่างหากที่เป็นเครื่องนําเธอให้มาสู่สถานที่นี้ได้เพราะการไปวัดนั้นบ่อยครั้งก็ไม่มีความสำคัญเกี่ยวกับดวงจิตแตอย่างใดโดยที่เป็นเรื่องแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นเครื่องหมายภายนอกเท่านั้นหากบุคคลไม่มีพื้นความเมตตากรุณาหรือไม่ได้พยายามฟอกใจตนเองบ้างแล้ว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 เรากลับรู้สึกเสมือนหนึ่งว่ามีผ้าคลุมผืนใหญ่ห่อคลุมเราอยู่โดยรอบในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามีกระแสพลังคล้ายๆ ก, กับแรงแม่เหล็กแผ่ซ่านอยู่โดยรอบร่างกายของเราทำให้รู้สึกสดชื่นยิ่งกว่าเดิมความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือความอบอุ่นและการลอยตัวเราสามารถจะยืนบนน้าหรือลอยไปบนน้า หรือไม่กระจมลงไปอยู่ใต้ผิวน้ำได้โดยไม่มีความอึดอัดหรืออันตรายแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อข้าวเจ้าขึ้นจากน้ำก็ปรากฏว่าน้ำได้ไหลออกไปจากร่างกายของเราหมดสิน้นแม้เสื้อผ้าของเราก็แห้งสนิทหารอยเปียกหรือเชื้ไมิได้เลยคุณสมบัติของน้ำในที่นี้เหมือนกับคุณสมบัติของอากาศในโลกมนุษ์นั่นเองกล่าวคือ สามารถแทรกซึมเข้าไปสู่ที่ใดและออกมาจากที่ใดใดก็ได้โดยไม่มีร่องรอยเหลืออยู่ให้มองเห็นได้เลยนอกจากนั้นในที่นี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการพัดตกน้าไปได้โดยอุบัติเหตุเหมือนดังเช่นในโลกมนุษย์ทั้งนี้เพราะการเคลื่อนไหวทุกประการของกายคิปอยู่ในอำนาจของจิตใจโดยตรงและโดยสมบูรณ์ดังนั้น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 โดยบอกแต่เพียงว่าจะมีเทศเรื่องอะไรเท่านั้นไม่ปรากฏมีบอกไว้เลยว่าเทศเรื่องนั้นเรื่องนั้นจะมีขึ้นเมื่อใดหรือเวลาใดด้วยความประหลาดใจข้าพเจ้าได้หันไปถามเอสเวินถึงเรื่องนี้ก็ได้รับคำตอบว่าเรื่องวันและเวลานั้นนับกันไม่ได้ในที่นี้เพราะไม่มีกลางวันและกลางคืนสลับกันไปที่จะกาหนดได้เหมือนอย่างในโลกมนุษย์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 ก็ส่งกระแสจิตไปเรียกสัตว์ประหลุดของท่านได้ทันทีไม่ต้องมีการสั่นกระดิ่งหรือตีระฆังเพราะกระแสจิตที่ส่งไปนั้นสามารถจะถึงตัวผู้ที่ต้องการจะมาฟังเทศได้โดยฉับพลันต่อจากนั้นผู้ใดที่ปรารถนาจะฟังเทศเมื่อได้รับกระแสจิตของท่านแล้วก็ตรงมาได้ทันทีพอาพากันเข้าไปในโบสถ์และรู้สึกว่า